เดินศุภท่านาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในนักสูตรของนักธรรมชั้นเอกเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและทรรนสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้พูดในเรื่องสังสารวัตรเามื่อพูดสังสารวัตรก็หมายถึงว่าการเวียนไหวตายเกิดหมายถึงการเวียนไหวตายเกิด การเวียนไหวตายเกิดก็คือว่าเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดอยู่อย่างนี้คือไม่รู้จักจบสิ้นฉะนั้นเมื่อพูดถึงการเวียนไหยตายเกิดแล้วอันนี้ก็จะต้องพูดถึงคติคำว่าคติก็คือว่าที่ไปคือคนเราทุกคนนั้นมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันฉะนั้นที่มาที่ไปไม่เหมือนกันเพราะอะไร อันนี้พระพุทธองค์ท่านได้แสดงไว้ว่าจิตเตสังขิริตเถทุคติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้ามองแล้วอทุกคติอเป็นอนันละหวังได้นถ้าจิตเศร้ามองแล้วก็ทุคติเป็นอนันละหวังได้อันนี้ก็หมายความว่าคนเราเมื่อมีชีวิตเป็นอยู่ประกอบแต่อกุศลกรรมทําแต่ความชั่วนทําแต่ความชั่วต่งตางๆนา น, นา ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งพอใกล้จะตายก็ทุรนทุรายคร่ำเพอ้อห่วงน่นห่วงนี่มีความละเน อ, อเพอพกมีความหลงมีความกลัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นแน่นอนที่สุดอย่างนี้เมื่อแตกตายไปแล้วก็เข้าสู่ทุขติส่วนในประเภทที่สองก็คือว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขา เมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้นะคือหมายความว่าจะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่ในขณะที่มีชีวิตเป็นอยู่ประกอบแต่คุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นลำดับเสมอมาคนประเภทนี้เมื่อใกล้จะตายจิตก็นึกถึงแต่พระพุะทธธรรมประสงค์จิตก็ง้อมนึกถึงแต่บุญทานการกุศลที่ตนได้เคยกระทาได้เคยสร้างไว ก็ทําให้เกิดปีติ เ, เกิดความอินใจเมื่อใกล้จะตายก็ไม่หลงละเมอเพอ้อพกไม่หลงท่ำเพอ้เอนึกถึงแต่คุณงามความดาีประเภทนี้เมื่อตายไปแล้วก็เข้าสู่สุขติโลกสวรรค์นะมีแต่ความสุขกายสบายใจเมื่อพูดถึงเรื่องอสุขติทุกขตินี้เป็นสิ่งที่คนเร า, เาชาวพุทธสนใจกันมากคือบางคน อยากรู้เหลือเกินว่าคนเราตายไปแล้วไปไหนตายไปแล้วไปไหนนี่คนเราอยากรู้มากอันนี้จริงๆแล้วนะ่ะขอให้เราลองมานึกดูในขณะที่เรามีชีวิตเป็นอยู่นี้ช่วงงงช่วงงงเห่านี้เรายังไม่รู้เลยว่าจิตเราคิดอะไรบ้างเราจำไม่ได้แล้วเราจะไปรู้ยังไงว่าเมื่อเราตายไปแล้วนั้นเราจะไปเกิดเป็นอะไรขณะเป็นเนเรายังไม่รู้แล้วจะไปรู้เรื่องตายได้อย่างไร ากนั้นอันนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดมากนะแต่ถึงกระนั้นพระพุทธองค์ท่านก็ได้แสดงให้เราได้ทราบไว้ว่าถ้าหากว่าจิตสร้าหมองก็ไปทุกขติเมื่อใกลจะตายจิตไม่เศร้าหมองก็ไปสุขติทีนี้เมื่อเราทราบอย่างนี้แน่นอนที่สุดคือหมายความว่าคนเราทุกคนนั้นถ้าหากว่า มีจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เหมือนกับผ้าที่บริสุทธิ์สะอาดอบุคคลจะย้อมให้เป็นสีใดสีหนึ่งก็ได้อ่าตามความต้องการฉั้นใดอาจิตใจของเราก็ฉันนั้นถ้าไม่เศร้าไม่เศร้าหมองแล้วก็มีอันว่าไปสุคติแน่นอนฉะนั้นที่เศร้าหมองเป็นเพราะเหตุอะไรอันนี้เราก็ควรจะรู้ควรทราบที่จิตของเราเศร้าหมองก็เป็นเพราะว่าอุปกิเลศ นะเป็นเพราะว่าอุปกิเลสเราทําให้เศร้าหมองอุปกิเลสนี่แหละเป็นเครื่องเข้าไปทําให้จิตใจของเรามีความเศร้าหมองมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งอภิชาวิสมะโลภะความอยากได้ลุ่มๆดอนๆ อ, อ, อยู่เป็นประจําประการที่สองพยาบาทความคิดอาฆาตกองร้ายผู้อื่นข้อที่สามโกทะความโกรธข้อที่สี่ อุปาณะอุปาณหะผูกโกรธไว้ผูกโกรธไว้ข้อที่ห้าลักขะลบหลู่บุญคุณท่านข้อที่หกปราศะตีเสมอท่านข้อที่เจ็ดอิสาฤิยาท่านข้อที่แปดมัชริยะความตะณีข้อที่เก้ามายาเป็นคนเจ้าเล่ห์หลอกลวงข้อที่สิทธิยะโอ้อวด ข้อที่สิบเอ็ดธรรมภะเป็นคนหัวดือ้อข้อที่สิบสองสารัมภะเป็นคนชอบแข่งดีอวดดีข้อที่สิบสามเป็นคนมีมานะถือตัวสำคัญว่าเลิศกว่าเขาดีกว่าเขาข้อที่สิบสี่อติมานะดูหมิ่นท่านาผู้มีพระคุณข้อที่สิบห้าธรรมะความงัวเมาเนีเรียกว่าอนนามะทะความงัวเมาเนี่ความงัวเมาความประมาท ข้อที่สิบหกประมาท่ความเลิาดวงจิตนี้ความจริงเดิมก็เป็นจิตที่ผ่องใสนะไม่มีอะไรทำให้เศร้าหมองแต่ภายหลังเพะถูกอุปกิเลสมันจอนมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเอ่ก็จึงทำให้ดวงจิตนี้เศร้าหมองไปเมื่อดวงจิตของเราเศร้าหมองก็ง่ายนอนที่สุดเราก็ไปทุกขติคือไปชั่วไปในทางที่ไม่ดีเมื่อพูดถึง อสุขติทุกติก็อยากจะพูดให้ละเอียดออกไปอีกนิดหน่อยว่าคําว่าคติแปลว่าภูมิเป็นที่ไปอหมายถึงว่าเป็นที่ถึงในเบื้องหน้าแต่ตายอหมายถึงว่าเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะมีคติอไปในทางไหนไปในทางดีหรือไปในทางชั่วอันนี้ท่านก็แสดงไว้สองประการใหญ่ๆคําว่าอ สุติภูมิเป็นที่ไปนั่นแบ่งออกเป็นสองคือหนึ่งทุคติภูมิเป็นที่ไปข้างชั่วนะไปข้างชั่วสองสุขติภูมิเป็นที่ไปข้างดีนี่ที่ไปข้างชั่วนี่ก็มีมากมายนะตั้งแต่อาจจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายดีรฉานหรือว่าปกัตศนรกนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นทุคติทั้งนั้นเนี่ยที่เราไปเกิดเป็นงวเป็นควายเป็นช้างเป็นลา อเป็นหมูเป็นหมาอะไรก็แล้วแต่ในทนํานองนี้ถือว่าเป็นทุกขติคือว่าไปลําบากนะไปลําบากไปชั่วไม่ดีนะไม่ดีตรงกันข้ามโสุกตินนภูมิเป็นที่ไปข้างดีไปข้างนี้ก็ตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นนะมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเป็นอพระพรอยจนกระทั่งที่สุดก็คือถึงพระอรหันต์นี่เป็นทุกติทางนั้นเลยเป็นที่ไปข้างดีฉะนั้น อากที่ไปดีไปชั่วนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำนะการกระทำนะฉะนั้นอาพูดถึงเรื่องสุคติทุคติก็ยังมีการแสดงแจกออกไปอีกเป็นหลายประเภทนะหลายประเภทในยะแรกอาตั้งบอกว่าทุคติในบางรูตรก็ยังแจกออกเป็นสองนะแจกออกเป็นสองอเป็นต้นว่าอาันนี้ระยะกับดิรัชานโยนิ เนื้อยะกับดีละฉานโยนิหรือว่าในทุกติสามอ้าทุกติสามก็คือเนื้อยะนะหนึ่งเนื้อยะสองดีลฉานโยนิสามวินิบาตแล้วก็ในทุกติสามอีกในหนึ่งก็คืออบายอ้าทุกติอ้าวินิบาตนะวินิบาตอ้าส่วนในทุกติสี่นะส่วนในทุกติสี่ก็คือหนึ่งอบายสองทุกติสามวินิบาต สี่นิระยะที่นี้ก็มาทราบความหมายของแต่ละอย่างพอคร่าวๆคาว่านิระยะนี่หมายถึงว่าโลกหาความเจริญมีได้ได้แก่นรกนะไม่เจริญคนเราถ้าไปเกิดในที่นี้เสื่อมทั้งนั้นนะเป็นคนเสื่อมทั้งนั้นเลยอันนี้ท่านในแสดงในอัตะกังคุตระมีกายว่าท่านแสดงนรกถึงสิบประการก็มีหนึ่งอภพุท ธ, ธนรก สองนิรพุทธนรกสามอภัพภนรกสี่อาหหนรกห้าอัตตะนรกหกุมุทธนรกเจ็ดโสคันธิกะนรก 8. ปดอุประณรกเก้ายงดริกะนรกสิบปฐุมานรกนี่มีมากนะมีมากเรียกว่าผู้ที่ไปอยู่ในนรกก็อาจจะต้องไปอยู่ในขุมแต่ละคุ้มอย่างนี้นนรกนี่ยังแยกออกไปอีกเยอะแยะนะมากมาย เรื่องคว่าดีรัฉานนะดีรัชฉานในเยนีแ้แปลว่ากําเนิดแห่งดีรัฉานหมายความว่าสัตว์จะเดินโดยขวางหรือโดยตามยาวอันนี้หมายความว่าไใ้คําว่าดีรัชฉานนี้แปลว่าสัตวนะ์ผู้ไปขวางนะผู้ไปขวางอาก็ลองเล็กดูสว่าคนเราเนี่ยคนเนี่ยมันเดินตั้งนะเดินตั้งแต่ว่าสัตว์มันเดินในแนวนอนนะในแนวนอนคือขวางกับคนนยะมันขวางคนจากนั้นถ้าหากว่า เราได้ยินใครเขาด่าบอกว่าสัตว์เดรัจฉานนีะขอประทานโทษว่าสัตว์เดรัจฉานก็นึกว่าเออนั่นแหละกู้ไปขวางคือมันขวางคนหรือบางทีเราจึงพูดดูว่าไห้คนนี้พูดขวางหูอ่านั่นก็แสดงว่าเป็นเป็นประเภทเดรัจฉานหรือว่ามันขวางหูขวางตาอ่าเนี่ยมันขวางคือขวางก็หมายถึงว่าเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานเลยนะจะเป็นงอควายช้างงามันก็ไปขวางมันไม่ได้ยืนตั้งไปอย่างนั้นน่ะไปขวาง ฉะนั้นก็คือว่าปรกโนี้ก็หมายถึงว่าว่าเราเป็นสัตว์ก็แล้วกันนะว่าเราเป็นสัตว์อืมฉะนั้นเมื่อพูดถึงสัตว์นะสัตว์ผู้ไปขวางอันนี้ในในภาระบันดิตสูตรท่านได้แสดงถึงสัตว์ยรฐานไว้ห้าประเภทอืมห้าประเภทอันนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาต้องจำไว้ด้วยในห้าประเภทก็มีหนึ่งจินพักขานะ กินน้ำพักขาก็ได้แก่จำพวกมีหญ้าเป็นพักษาอะไรที่มีกินหญ้าเป็นพักษาก็มีพวกช้างพวกมา้าโคกระบือเหล่านี้เป็นต้นประเภทที่สองก็คือครูทับพักษาจำพวกที่มีคูบเป็นพักษาเป็นอาหารนะอะไรกินพวกคูบนะอะไรก็พวกไก่พวกสุกรนะพวกไก่พวกสุ ก, ก ร, นะกกกกกรหมูนี่อหนะรือสุนัขย่างงี้นี่ กินคูดพวกน้อนนี่นี่กินคูดเป็นพักษาแล้วประเภทที่สามจำพวกที่เกิดแก่ตายในที่มืดนะพวกนี้อาศัยความมืดเกิดแก่ตายเช่นพวกอะไรพวกตักแตนตัวมุ้งตัวไส้เดือนเหล่านี้เป็นตน้นประเภทที่สี่จำพวกที่เกิดแก่ตายในน้ํานะที่อยู่ในน้ําเกิดแก่ตายในน้ำเกิดเป็นพวกเอกุ้งปูปลาเต่าเป็นตน้น ประเภทที่ห้าจําพวกที่เกิดแก่ตายในของโศโครกในของบูดของเน่านของสกปรกก็จะพวกหนอนเกิดในปลาเน่าพวกหนอนอหรือพวกลูกน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละถือว่าอเป็นเป็นประเภทของพวกจัตว์จัก ต, ต, ต่างๆทงี่ความหมายของปิติวิศยะก็คือแดนแห่งเปรตก็คือพวกผีพวกอเมืองชนิดเปรตรวมเป็น มีหลายประเภทนะเป็ดบางอย่างก็รูปร่างไม่สมประกอบสุกพร้อมโตบางชนิดก็มีรูปร่างมีร่างกายมีรกรลไกเป็นตัวตัวเป็นมนุษย์สีษะก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนะบางชนิดก็เสวยกรรอยู่ตามลำพังนะพวกนี้ก็มีหลายอย่างนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราควรจะศึกษานะควรจะศึกษาหรือว่าชนิดที่รูปร่างเป็นมนุษย์มีวิมานเป็นที่อยู่ได้สวยสุขในกลางวันอ่กลางคืนก็ไปสวยกรรมกรซึ่งเรียกว่าเวมานิกรเปตนะพวกเวมานิกรเปตแล้วก็ประเภทที่สี่ก็คืออบายคําว่าอบายในโลกปาจะจากความเจริญก็คือความเสื่อมนั่นเองคือระบออบายยมุกทางอย่างความเสือ่อมอบายภูมิอนะ่าสถานที่มันจะร่วงคือที่เสื่อมนั่นเอง อทีนี้อวัยวะภูมมีอะไรอันนี้ในอัตถกถาทั้งแจกเป็นสี่ก็คือนิระยญะานิรยฉานโยนิปิติวิสยะอสุรากายออสุรากายก็จะพวกยักษ์พวกอสูรนะที่ห้าก็คือวินิบัตโลกที่เหลือวิสัยหรือที่ตกไปแห่งสัตว์ผู้ไร้อานาจท่านว่าได้แก่ปิติวิสยะอันนี้ก็มันเหมือนกับว่าคนที่มีอํานาจมากแล้วก็ถูกถอดยับลดตำแหน่งหมดอํานาจเนี่ยพวกนี้เป็นพวกวินิบัต นี่เกี่ยวกับเรื่องอพูดถึงกับเรื่องทุคตินะทุคติทีนี้ถ้าจะพูดถึงทุคตินี่ก็โดยรายละเอียดแล้วก็ขอให้นักศึกษาได้ลองค้นคว้าเพิ่มเติมอีกบ้างนะเพิ่มเติมอีกบ้างอาทีนี้ก็มาพูดถึงเกณฑ์การเทียบทุคติอเกณฑ์ ก, การเทียบทุคติอทุคติสองก็คือนิยยะกับดิรัชานโยนี้ ทุกติสามก็คือนิยยะดเดชานโยนิปิติวิสยะทุกติสามอีกอย่างหนึ่งก็คืออบายทุกติวินิบาต ท, ทุกติสี่อบายทุกติวินิบาตนิยยะอืมอันนี้มาที่หมายอที่ตรงกันหมายความว่าเทียบกันได้นะอ่านี้ก็พูดถึงเรื่องทุกติฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยกลัวการไปเกิดในทุกติกันเมื่อนะเะนั้นเมื่อเรากลัวการไปเกิดในทุกติเราก็ต้อง เว้นจากความชั่วต้องมีศีลมีธรรมอย่างน้อยก็ต้งมีศีลห้านะศีลห้าอย่างน้อยก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้นะถึงสวรรค์ก็ต้องมีศีล น, นะแม้แต่ถึงพระอรหันต์ก็ต้องมีศีลเป็นบาดฐานอีกเหมือนกันนี่เป็นแต่ เ, เรื่องของสุขสติเพียงยอดยอดก็รายละเอียดให้นักศึกษาได้ค้นคว้เาเพิ่มเติมอีกก็แล้วกันตามตำรับตำราที่นี่ส่วนสุขสตินะพูิเป็นที่ไปข้างดีนะ สุขติภูมิเป็นที่ไปข้างชั่วสุขติภูมิเป็นที่ไปข้างดีคือไปดีก็คือว่าไปสบายไปสบายไปสบายก็คือว่าเรื่องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเราจะไปเกิดการไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพระพรหมอะไรแต่ในเกี่ยวกับเรื่องสุขตินี้ท่านก็สแสดงไว้หลายใน สุกติสองในต้นท่านแสดงถึงเทวะนะเทวกับมนุษย์สุขติสองในหลังแสดงถึงสุขติกับโลกสวรรค์นะแสดงถึงสุกติกับโลกสวรรค์ในความหมายแห่ ง, หงสุขติหมายถึงไงก็คือเรื่องเทวะตนคาเรียกเทวดานะสวรรค์ชั้นใดชั้นใดก็ได้ชั้นผมก็ได้จดแล้วแต่จะบ่งถึง ส่วนมนุษย์หมายเอาจำพวกสมประกอบคือคนนั่งมีต่างโดยจำพวกพวกขัตติยะพวกปราชา์ารกษัตร์พวกเศรษฐีกษัตรบดีอะไรเหล่านี้เป็นต้นสุขติภูมิเป็นที่ไปข้างดีโดยในได้แก่มนุษย์โดยในได้แก่มนุษย์เทียบกันเปลสวรรค์แปลว่าไปดีแปลว่าไปดีสวรรค์ที่จะพูดว่าสวรรค์แคเนี่ยคือไปดี หรือโลกมีอารมณ์ดีหมายเอาเทวโลกที่เป็นกามาพจรไมาเอาเทวโลกที่เป็นกามาพจรทีนี้เทียบอสุคติสองใน เ, เทวะในต้นก็เทียบได้กับสวรรค์ในหลัง เ, เทียบได้กับสวรรค์ในหลังอา่าเทียบกันได้เพราะว่าข้างหนึ่งพูดถึงผู้อยู่อีกข้างหนึ่งพูดถึงภูมินี้ในสองในที่สองก็คือมนุษย์ในต้น เทียบกับสุขติในหลังเทียบกันได้โดยอมนุษย์กับสุขติก็หมายถึงว่าไปดีเหมือนกันนะไปดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบอเมื่อพูดถึงข้อเปรียบเทียบอย่างนี้อนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายอันนี้ก็อยากจะพูดให้กว้างออกไปอีกนิดหน่อยว่าอเมื่อพูดถึงสวรรค์นะสวรรค์ น, นี้ก็แยกไปเป็นหกชั้น น <eur> นจนว er ja ่าชั้นจาตุรงหาราชก็มีเท้ามหาราชฎรพระองค์เป็นผู้ครองนะเป็นผู้ครองเรียกว่าอยู่สี่มุมเมืองวังอันทะมีเท้าทศรตรูเท้าทศรตรนี่ก็มีพวกคนทันเป็นบริวารนะอยู่ในทิศบูรพาแล้วก็มีท้าวิรุณหกมีพวกคุมพันเป็นบริวารอยู่ในทิศทักษิณแล้วก็เท้าวิรุษตักมีพวกนาเป็นบริวารอยู่ในทิศปัตติมแล้วก็เท้ากูเวยมีพวกยักษ์เป็นบริวารอยู่ในทิศอุดร นี่เป็นสวรรค์ชั้นตาตุมหาราชทีนี้ส่วนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีพวกเท้าสักกะกับเทพผู้เป็นพระหจรรย์สามสิบสามอค์ครอบครองอยู่สวรรค์ชั้นนี้น่าจะได้แก่ชนพูทวีปในสมัยโบราณชั้นดาวดึงนี้ที่เราเคยได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องมฆะมานุกนะได้ทำถนนหนทางกับสหายสามสิบสามคนนอ่นจ้างถนนหนทาง อที่มันไม่สะดวกก็ให้ประชาชนเดินเข้าหมู่บ้านสะดวกแล้วก็ได้สร้างวัดสร้างวาสร้างศาลาเนี่ยเจก็ทั้งที่สุดได้ไปเป็นเท้าเสักกะหรือไปเป็นพระอินอยืนน่นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่สามก็ชั้นยามามีเท้าสุยามะเป็นผู้ครองเมืองที่สี่ก็คือชั้นดุกศิษมีเท้าสันดุกศิษย์เป็นผู้ครอบครองที่ห้าก็ชั้นนิมมานรดีมีเท้าสุนิมมิตรเป็นผู้ครอบครอง ที่หสวรรค์ชั้นประนิมนิตตะวะสวดีมีเท้ามีนิตตะวะสวดีเป็นผู้ครอบครองฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าเป็นเรื่องของสวรรค์นะเป็นเรื่องของสวรรค์ฉะนั้นเมื่อพูดถึงสวรรค์อเราทุกคนปรารถนากันเหลือเกินนะปรารถนากันมากเวลาจะทําบุญสุนทานอะไรกันเอาแล้วอยกมือจุดธูปเทียนบอกเจก้าปะกูนเกิดชาติใดแสนใดก็อขอใหอ้มั่งมีสิริศุด ตายไปแล้วก็ขอยเข้าสู่สวรรค์นะเราไม่จะพูดกันอย่างนั้นแต่ถ้าจะพูดกันโดยอส่วนทำจริงๆแล้วสวรรค์เนี่ยมันยังยังไม่ได้สูงมากไม่เท่าไหร่นะเราคนเรายังยังปรารถนาที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนะอยู่บนสวรรค์ก็ต้องเกิดนะยังต้องกลับมาเกิดอีกเหมือนกันนะแล้วบนสวรรค์นี่ก็ขอประทานโทษก็ยังต้องมีกามอีกเหมือนกันฉะนั้นเขาจะเรียกว่า ชั้นกางมาผจนะชั้นกลามาผจญฉะนั้นเราควรจะปรารถนาให้สูงไปกว่านั้นแมนะ้ที่สุดก็คือปรารถนาด้วยการส้นภพสิ้นชาตินะสิ้นภพสิ้นชาติดีที่สุดแต่ว่าเราไม่ไม่ปรารถนาอย่างนั้นหรือว่าปรารถนาเป็นพระอรหันต์พุทธภูมิเราก็ไม่ปรารถนาเรากลัวว่าเราจะไม่ได้เกิดกันอันนี้มันก็แปลกนะคนเราเน่กลัวการเกิดอนะขอประธานโทษกลัว ตัวจะไม่ได้เกิดสังเกตดูตอนเป็นเด็กๆนี่นะเวลาเราโกรธกันเรามาจะแช่งกันบอกขอให้ตายไม่ได้เกิดโอ้โหรู้สึกว่าไหนมันเสียวแกรบเข้าหัวใจหลยกัวจะไม่ได้เกิดแต่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าการไม่เกิดเสียได้แหละดีนะไม่เกิดเป็นอะไรเลยได้เละดีที่สุดก็หมายถึงว่าการทําจิตใจให้สงบนะปราศจากความโลภความโกรธความหลงหมดกิเลสตัณหาได้มรรคได้ผ ล, ไ ด, ผลได้นิพพาน เรียกว่าสิ้นพบสิ้นชาติไม่มีเกิดไม่แก่ไม่ตายแล้วเนี่ยอย่างนี้สบายแต่เราหน้อยากเกิดปาตนนาที่ไรก็จะพะคูดเกิดชาติใดแสนใดนี่คือยังเดบัาจากจะกี่ร้อยกี่แสนชาติก็ยังปาตนนาการเกิดอยู่นั่นเองนะอันนี้พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าอันเนกาชาทิสังสารังสัมถาวิสังอ น, นิพิสังขะาาการังคเวสันโตเป็นต้นว่าเราได้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยโอ้โหหลายแสนชาติ นเป็นนแสนชาตินไอตัวที่ทําให้เราท่องเที่ยวนี่มันอะไรเนอะเนี่ยเราเราแสวงหามานานอ๋อมาเจอแล้วไอตัวที่ทําให้เราต้องท่องเที่ยวไปก็คือไอเไอตัวสร้างบ้านสร้างเรือนของเราคือไอตัวตัณหานี่เองนี่แหละไอตัวนี้แหละมันตัวสําคัญที่ทําให้เราต้องเกิดแล้วเกิดอีกนตัวสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างภพสร้างชาติตัวตัณหานั่นเองบัตรนี้เรามาจับได้แหละไอตัวสร้างบ้านสร้างเรือนทํำลายได้แล้วยขยามัจฉา ถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาแล้วนะ่ะสบายเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ได้มรรคได้ผลในนิพพานนี่ท่านบอกว่าทุกขาชาติปูนปูนว่าการเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นทุกข์นี่แต่เราก็ปราตนาการเกิดอยู่เรื่อยนะก็เราลองดูสิเนี่ยที่เราทุกข์กันทุกวันนี้เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์อืมนี่นี่ขณะเกิดมาเป็นมนุษย์นะถ้าเราไปเกิดเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานจะต้องทุกข์ขนาดไหนเพราะว่าเราจะต้อง ทุกในระหว่างการทํามาหากินทุกในระหว่างพวกสัตว์กันเองทุกในระหว่างที่จะต้องถูกพวกมนุษย์เท่าต่างๆรุกรานนี่นี่เราก็ทุกขนาดหนักอยู่แล้วดันั้นเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็นับประบุญมากแต่มันก็ทุกมากนะทุกร้อยแปดนะทุกร้อยแปดเลยโดยเฉพาะที่เราเห็นกันง่ายๆก็คือว่าทุกเรื่องการทํามาหากินการดํารงชีพนี่เป็นทุกกันมากมีการแข่งแย่งกันมีการเข่นข่าจิ้งลีจิ้งเด่นกันเอารับเอาเปรียบกันตัดแข่งปัดขากัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับนี่และจริงแล้วเนี่ยเราก็มีการเกิดการตายกันอยู่ตลอดทุกวันเราจะพบเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ได้เรื่อยๆนี่เพราะอะไรนี่ก็เพราะการที่เรามาเกิดเวียนว่าย อ, อยู่ในวัฏ ส, สงสารนั่นเองนะฉะนั้นสิ่งนี้เราควรจะกลัวกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสวรรค์เรื่องนรกกันแต่เพียงย่อๆนะเพียงย่อๆทีนี้ถ้าจะมีปัญหาถามบอกว่า อาไตรวัตะมีการวนเวียนอย่างไรอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่ามีอาการวนเวียนอย่างนี้ด้วยอํานาจกิเลสกรรมวิบากสัตวผู้มีกิเลสทําอย่างใดการอย่างนั้นจัดเป็นกรรมกรรมนั้นย่อมอํานวยความเกิดในภพหน้าเป็นวิบากได้เสวย ว, วิบากเข้าได้เสวย ว, วิบากเข้าแล้วนะก็มีกิเลส เกิดอีกเกิดอีกทำกรรมอีกเมื่อก้เลยก็ทำกรรมลงเมื่อทำกรรมก็ได้รับผลของกรรมเกิดขึ้นใหม่เวียนกันไปเวียนกันไปแ้เฉพาะในภพเดียวก็เวียนอยู่เหมือนกันคือกิเลสย่อมเป็นเหตุให้ทำกรรมกิเลสย่อมเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมย่อมอํานวยกรรมนั้นย่อมอํานวยความเกิดในภพหน้าเป็นวิบาก ได้สเสวยวิบากอ่าได้สเสวยวิบากแล้วก็มีกิเลสเกิดอีกอ่าเมื่อเกิดอีกก็ทํากรรมลงคํากรรมลงวิบากก็เกิดขึ้นใหม่เวียนกันไปแม้เฉพาะในภพเดียวก็เวียนอยู่เหมือนกันอคือกิเลสย่อมมีกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำำํากรรมกรรมย่อมอเวยวิบากสเสวยวิบากกิเลสย่อมเกิดขึ้นอีกอเกิดขึ้นอีกอย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้นนะ หรือถ้าจะมีคําถามว่าจิตเตสังกิเลถเถ ท, ทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศ้าหมองจําต้องหวังจําต้องหวังทุกขติโดยเฉพาะบาลีมีอะไรเป็นผู้หวังทุกขติหรือไม่นะมีผู้หวังทุกขติหรือไม่อ่าเพราะเหตุไรอันนี้เราก็แก้วไว้เลยว่ามีปริสนที่จิตเป็นผู้หวังทุขติหรือทุกขติ เพราะบาลีนี้เป็นอันรับรองว่ามีจุติจิตจุติจิตย่มอมอย่อมหมายถึงว่าจุติจิตนี่แหละเป็นปฏิสนธิในสุคติหรือทุคติเนื่องด้วยความเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองของจิตนะหรือถ้าจะมีคําถามว่าในเทวทูตสูตรกล่าวถึงยมาราชถามถึงคนทําบาป ผู้ตายไปแล้วนายเนื้บาลนายนิราบาลจับไปแสดงให้ลงโทษว่าเคยเห็นเทวทูตหรือไม่นี่เทวทูตนั้นมีกี่ประเภทอะไรบ้างเราก็แก่ว่าเทวทูตนี้ห้าประการคือหนึ่งเด็กแรกคลอดสองคนแก่สามคนเจ็บสี่คนถูกลงราชธรร์ห้าคนตายนี่เป็นเทวทูต ในข้อที่สี่ถ้ามีปัญหาถามว่าสัตว์โลกตายไปแล้วมีคติเป็นอะไรมีหลักคำอะไรเป็นเครื่องวิจารณ์ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญอันนี้เราก็แก้ว่ามีคติเป็นสองถ้าทาดีประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจก็ไปสุขติถ้าทาชั่วคือประพฤติอาุจริตด้วยกายวาจาใจก็ไปทุกติคนหรือสัตว์ตายแล้วเกิด ไม่ศูนย์นาตายแล้วเกิดไม่ศูนย์มีหลักธรรมในอุเทศบาลีแสดงว่ามีจิตเศ้ามองแล้วไปทุกขติเป็นต้นหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้ามองก็ไปสุขติเป็นที่หวังได้นี้แสดงความเกิดในสัมปรายภพภ์เนื่องด้วยจิตในปัจจุบันเมื่อจิตต ก, กล่อนเกลื่อด้วยบาปธรรมคติย่อมไม่ดีถ้าไม่เป็นอย่างนั้นคติย่อมดีจิตนี้ดีชั่วย่อมเป็นปัจจัยแห่งปฏิสนธิจิต ในสัมปรายะพภนะในสัมปรายะพภู้มาเกิดจึงต่างกันบางคนก็เลียบบ้างรานอีบ้งบางมั่งมีบ้างยากจนบ้งางบางคนก็มีอวัยวะพิกลพิการม่สมประกอบบางคนรูปร่างสวยบางคนรูปร่างไม่สวยบางคนเกิดมามีอายุยืนบางคนเกิดมามีอายุสั้นบางคนเกิดมามีโรคมากบางคนเกิดมามีโรคน้อย บางคนเกิดมามีปัญญามากบางคนเกิดมามีปัญญาน้อยอันนี้แหละเป็นเพราะกรรมเป็นเครื่องจำแนกให้แตกต่างกันออกไปหรือถ้าจะถามว่าสังสารวัตคืออะไรที่สุดแห่งสังสารวัตคืออะไรจะถึงได้ด้วยปฏิบัติในอะไรจงระบุภูมิปฏิบัติโดยลำดับอันนี้เราก็แก้ว่าสังสารวัต คือการเวียนไหว้าตายเกิดในกำเนิดต่างๆในสุขติบ้างทุกขติบ้างที่สุดแห่งสังสารวัฏก็คือนิพพานนะนิพพานจะได้ด้วยการปฏิบัติในปรมัภิปฏิปทาตั้งต้นแต่ปิิปทาแห่งนิพิทนาะความเบื่อหน่ายวิราคะความสิ่นกำนัดสุนิตความหลุดพ้นวิสุทธิความบริสุทธิสันติความสงบ นิพพานคือการดับนะการดับโดยไม่เหลืออันนี้กเ็เรียกว่าเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องสังสารวัตฉะนั้นก็พอสรุปแต่เพียงย่อๆได้แล้วว่าเมื่อพูดถึงสังสารวัตก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาหรือท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายจงเข้าใจไปเลยว่าสังสารวัตก็หมายถึงว่าการเวียนไหวตายเกิดนะการเวียนไหวตายเกิด ไม่รู้จักตกจากสิ้นดังนั้นการที่เราจะไม่เวียนว่ายตายเกิดนั้นเราจะต้องเข้าถึงทำด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมก็คือได้รักษาศีล น, นะได้รักษาได้ให้ทานได้รักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาแม้นะที่สุดก็คือได้เจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเมื่อเราทําอย่างนี้จนได้วิปัสสนาญาณปัญญาก็เกิดขึ้น เมื่อปัญญาเกิดขึ้นเราก็ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงในที่สุดเราก็จะได้มักผลมิพานเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสังสารวัตรมาก็พอเป็นแนวทางย่อๆฉะนั้นในที่สุดก็ขอให้หนักเกลียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจนประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร วันนี้อาจะพูดถึงเรื่องสมถะกรรมฐานาเมื่อพูดถึงเรื่องสมถะกรรมฐานก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็การปฏิบัติสมถกรรมฐานในเบื้องต้นแล้วก็ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นของคู่กันไปเมื่อเราปฏิบัติถึงที่สุดแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญฉะนั้น จากการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษามาทําความเข้าใจกับคําว่าสมถะรรถยก่อนเพราะว่าบางครั้งเราเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เข้าใจสมถะโดยท่องแท้คือบางครั้งเราก็ไปใช้พูดกันในสังคมว่าแม้ดูดูลักษณะอ่าพระองค์นี้สมถะองค์นี้ไม่สมรรถะหรือดูบุคคล น, นี้แต่งตัวแหมรู้สึกว่าสมถะดีนะ่าสมถะดี แต่ไม่รู้ว่าสมถะนั้นคืออะไรในคำว่าสมถะนี้ท่านแปลได้สามในคือในยะแรกคำว่าสมถะแปลว่าทำเป็นเครื่องสงบระงับของจิตสมถะในยะที่สองแปลว่าทำอันให้จิตสงบระงับจากนิวรณูปกิเลส ท, ทั้งห้าประการที่สามความสงบระงับจิตในภายในนี่เป็นเรื่องของอความหมายของสมถะ ทีนี้ถ้าหากว่าจะถามว่าสมถะภาวนาล่ะหมายถึงอะไรแปลว่าอย่างไรสมถะจะพูดง่ายก็คือว่าหมายถึงความสงบจิตสงบใจภาวนาก็หมายถึงความเจริญนะหมายถึงความเจริญทีนี้ถ้าสมถะภาวนาก็แปลได้สามในเหมือนกันหนึ่งผู้มีศรัทธาเจริญสมถะทําให้เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันใดนะทาให้เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันใด ทำให้เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันใดเจตนาอันนั้นชื่อว่าสมถะภาวนาสองอผู้มีศรัทธายังสมถะเป็นอุบายเครื่องสงบระงับจิตให้มีขึ้นชื่อว่าสมถะภาวนาสามเจตนาอันเป็นไปในสมถะกรรมฐานทั้งหมดทั้งสิ้นชื่อว่าสมถะภาวนาอันนี่เป็นความหมายของสมถะภาวนา นะที่เราควรรู้ควรทราบไว้ทีนี้เมื่อมาพูดถึงสมถภ า, าวนาแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่เราควรเรียนรู้ก็คือว่าทำที่เป็นอารมณนะ์อารมณ์ให้จิตสงบนะครับเหมือนเสมเหมือนสมถภ า, าวนามีมากมายนะแต่ในที่นี้ก็จะขอนำมากล่าวนะพอเป็นแนวทางนะจะขอนามากล่าวพอเป็นแนวทางก็ มีตั้งแต่หนึ่งอภินหาปัจจเวทขณะนะอภินหาปัจจเวทขณะคำว่าอภินหาปัจจเวทขณะก็คือมีห้าอย่างเป็นบอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นจากความแก่ไปได้เ อ, อเรามีความเจ็บปวดป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นจากความเจ็บปวดปวด่วยไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ลงพนจากความตายไปได้เราต้องอพัดทากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเรามีกรรมคือบุญบาป ท, ที่ตนทำไว้เป็นของของตนเรียกว่าทำกรรมอย่างไรก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นนีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เราเจริญสติปัฏฐานสี่การเจริญสติปัฏฐานสี่ก็คือ ให้เจริญกายานุปัสสนานะมีปัญญาตามพิจารณาเห็นซึ่งกายเป็นอารมณ์อันนี้ก็มีอยู่สิบสี่ข้อก็คือหนึ่งด้วยการเจริญานาานาปัปพะหรือเรียกว่าอานาปานสตินั่นเองนะก็คือหมายความว่าให้เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนะกาหนดรู้ลมหายใจเข้าออกสองอกำหนด อิริยาบทสี่คือยือนเดินนั่งนอนนะยืนเดินนั่งนอนก็สามให้เรากำหนดรู้อรอบครอบในวิการของกายมีการเข้าไปข้างหน้าแล้วถอยกลับไปข้างหลังเรล่านี้เป็นส้นหรือเรียกว่าสัมปชัญญะปรัะนะสัมปชัญญะปรักในในข้ออีริยบทสี่ก็เรียกว่าอิริยารบระนะอิริยารบระทีนี้ มาในข้อที่สี่ก็คือเรากําหนดพิจารณากายของตนและกายของผู้อื่นโดยความเป็นของปฏิกูลไม่งามไม่สะอาดเต็มไปด้วยของไม่งามนะเต็มไปด้วยของไม่งามนี้เราเรียกว่าปฏิกูลและปัพฉะหรือมาข้อที่ห้าให้เราพิจารณากายของตนและกายผู้อื่นโดยกําหนดว่าเอาเป็นสัจจะว่าธาตุสีนะเรียกว่าธาตุปัพฉะมาในข้อที่หกพิจารณาสุภะเก้าอย่างนะ อรูปะเก้าอย่างอรูปะเก้าอย่างก็เป็นต้นว่าตั้งแต่ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในที่ต่างๆนะทิ้งไว้ในที่ต่างๆอที่ปาดท่าหรือที่ไหนก็แล้วแต่มีสีเขียวมีน้ำเหลืองอซากศพที่เขาทิ้งไว้อันสัตว์ทั้งหลายมีสุนัขเป็นต้นกัดกินหรือว่าซากศพที่ทิ้งไว้โสมเป็นร่างกระดูกซากศพที่ทิ้งไว้เป็นร่างกระดูกมีเนื้อเลือดหมดไปแล้ว ซากศพที่ทิ้งไว้เป็นร่างกระดูกมีเนื้อเลือดเอเส้นเอ็นหมดแล้วซากศพที่ทิ้งไว้มีกระดูกอเคลื่อนไหวหลุดอจากที่ผูกที่ต่อเรียร่ากระจัดกระจายซากศพที่ทิ้งไว้เป็นกระดูกมีสีขาวนังสังซากศพที่ทิ้งไว้เป็นกระดูกเพอษลายเป็นกองกองทนฝนทนแดดมีเห็ดราขึ้นทิ้งอยู่นะหรือว่าซากศพที่ทิ้งไว้เป็นกระดูกย่อยอ่า หมายถึงว่าย่อหยักคนแล้วนะผูกพังไปแล้วอมืมาในข้อที่สองด้วยการเจริญมาติปัฏฐานคือเวทนานุปัฏนาสติปัฏฐา น, า น, ฐานก็คือว่ามีปัญญาตามพิจารณาเห็นซึ่งเวทนาเป็นอารมณ์แล้วก็จิตานุปัฏนาสติปัฏฐา น, ป, ฐานปัญญาตามพิจารณาซึ่งจิตเป็นอารมณ์ ทำมานุปัสสนาสติปฐานปัญญาตามพิจนาซึ่งทำเป็นอารมณ์อันนี้ในคำมภียอวิธรรมมัตรสังหะและวิสุทธิมรรคท่านจัดทมที่เป็นอารมณ์ของสมถะไว้สี่สิบหมดนะสี่สิบสี่สิบอ่าสี่สิบบทจัดเป็นหมวดได้เจ็ดหมวดนะจัดเป็นหมวดได้เจ็ดหมวดก่อนหนึ่งกระสินสิบกระสินสิบก็มีตั้งแต่ อะไรมีตั้งแต่ปัทวีกสินปัทวีกสินอาโปกสินเตโชกสินวาโยกสินนีลกสินปีตตะสินโลหิตกสินโอทาตะสินอารโกรกสินอากาสกสินหมายถึงว่าแพ่งดินเป็นอารมณ์แพ่งน้ําเป็นอารมณ์แพ่งไฟเป็นอารมณ์เพ่งลมเป็นอารมณ์เป็นต้นและก็ในหมวดที่สองก็คืออสุภาษิตอาสุภาษิตก็คือให้เราได้เจริญอสุภาพิจารณาสังขารให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม โดยพิจารณาว่าหนึ่งศักดิ์ศพนั่งกายเป็นศักศพที่เน่าพองสองศักศพเป็นศากศพที่มีสีเขียวสามเป็นศากศพที่มีน้ำเหลืองไหลยเยิ้มนะยื้อน้ำเหลืองไหลเยิ้มสีเป็นศากศพที่ขาดกลางตัวห้าเป็นศากศพที่แรงกาอายุแย่งกันกินหกเป็นศากศพที่มีมือเท้าสีขาขาดไปข้างหนึ่งเจ็ดเป็นศากศพที่คนมีเวรจับกันเป็นท่อน แเป็นซากศพที่ต้องกระหานด้วยสัตรามีโลหิตไหลเก้าเป็นซากศพที่มีตัวนอนยัวเยีะคราค่ำไปหมดสิบเป็นซากศพที่เหลือแต่ร่างกระดูกนี่ถ้าเราพิจารณาให้เห็นให้สังขารเห็นเป็นอสุภะอย่างนี้ก็จะทำให้เราเกิดนิพพิทายานคือรู้ถึงความเบื่อนหน่ายในสังขารได้แล้วก็จเจริญอนุสติสิทก็มีพุทธานุสติรูถึงคุณของพระพุทธเจ้า ธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมสังขานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์สีลานุสติระลึกถึงคุณของศีลของตนจาคานุสติระลึกถึงฐานที่ตนบริจาคเทวตานุสติระลึกถึงเทวดาหรือผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณข้อที่เ็ดก็คืออุปสมานุสติระลึกถึงคุณพระนิพพานข้อที่แปดมรณสติระลึกถึงความตายข้อที่เก้ากายคตาสติระลึกถึงความตายข้อที่สิบอาณาปานุสติระลึกถึง ลมหายใจเข้าออกแล้วในหมวดที่สี่ก็คือพรมวิหารสี่ก็มีเมตตาพรมวิหารกรุณาพรมวิหารหมุติตาพรมวิหารอุเบกขาพรมวิหารหมวดที่ห้าอาหารเปรติกูลและสัญญาตามกำหนดหมายเอาปริกูลในอาหารนะข้อที่หมวดที่หกก็คือจตุธาสุาวฐานกาหนดธาตุสี่นะกำหนดธาตุสี่นะสตรี มาในหมวดที่เจ็ดก็คืออารูปสี่อารูปสี่ก็คืออากาสานัญจายตนะเพ่งอากาศเป็นอารมณ์อวิญญานัญจายตนะเพ่งอารูปวิญญาณเป็นอารมณ์อากินจัญญาจนะเพ่งความไม่มีแห่งอารูปวิญญาณเป็นอารมณ์เนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งอารูปวิญญาณที่สามเป็นอารมณ์นี่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ของสมถะนะมีสี่สิบอย่าง ในจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะมีมากกว่านี้แต่นี่เป็นเป็นเพียงตัวอย่างที่ให้เรามาเอาในสี่สิบอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเจริญสมถะก็จะทำให้จิตใจของเราสงบได้นะจิตใจของเราสงบได้ฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องมาทราบอีกว่าคนเราเนี่ยมีนิสัยใจคอไม่เหมือนกันฉะนั้น เมื่อมีนิสัยใจคอไม่เหมือนกันนั้นการที่เราจะเจริญสรรมฐานให้ได้ผลนั้นเราจะต้องรู้ว่าเรามีนิสัยเป็นอย่างไรเมื่อเรามีนิสัยเป็นอย่างนั้นเราก็เจริญกรรมฐานชนิดนี้จะได้แก้กันได้จะได้ปราบกันได้าาการปฏิบัติจริงจะได้ผลถ้าหากว่าเราไม่รู้เราให้กรรมฐานไปโดยไม่รู้นิสัยใจคอก็เหมือนกับว่าเราเวียนแหงลงไปในคลองไม่รู้ไม่เห็นตัวปลาประโยชน์ก็ไม่ได้ผลฉะนั้น คนเราเนี่ยก็มีมีนิสัยหกอย่างที่เขาเรียกว่าจริตหกนะจริตหกก็ได้แก่ราคะจริตนะราคะจริตก็คือคนเรียกว่าราคะจริตก็คือคนที่ที่รักสวยรักงามนะเนี่ยที่คือสิ่งเหล่าเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตใจของคนเรานะ ไม่มากก่าน้อยต้องมีอยู่ทุกคนนะจริตถกเนี่ยต้องมีอยู่ทุกคนเรียกว่าเป็นนิสัยที่มีอยู่ในสันดานเข้าว่าได้นะถ้าอย่าพูดอย่างนั้นก็เป็นนิสัยที่มีอยู่ในสันดานนะไม่มากก่าน้อยนะต้องมีอยู่ทุกคนนี้คนที่มีราคาจริตนี่เป็นคนรักสวยรักงามเต็ไมไปด้วยความกำหนัดความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัส แล้วคนคนที่มีราคะจริตสังเกตด้วยเป็นคนชอบแต่งตัวสวยๆ ส, นะสะอาดโก้ที่อยู่ห้องหอก็สะอาดสะอ้านนะเรียบร้อยหมดประเภทที่สองคนที่มีโทสะจริตมักมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายนะโกรธง่ายหนักไปในทางโทสะมักก่อทุกขโมนักให้แก่ผู้อื่นและแก่ตัวเองนะคนประเภทนี้ให้สังเกตดู มักจะมีอารมณ์เรียกว่าวันไหวง่ายอยู่ตลอดเวลานะไม่ชอบมาพากลก็เกลี้ยวกาดเอาเลยเชียวละนะคนประเภทนี้ทำอะไรไม่ทาอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยนะไม่ค่อยเรียบร้อยทำหยาบหยาบนะทำห ย, ยาบหยาบปิยาอาการก็หยาบนะปิยาอาการก็หยาบและบางครั้งเผลอตัวไปก็อาจจะทำสิ่งซึ่ง ก่อให้เกิดความทุกข์กับผู้อื่นจนถึงชีวิตก็ได้นะคนมีโทสะจริตนะด้วยการฆ่าตีชกต่อยอะไรก็ได้อประเภทที่สามคนมีโมหจริตผู้นี้ก็มักจะเป็นคนหลงลืมมีสติไม่มั่นคงพูดจาพลั้งเสอือะปิดบ้างถูกบ้างเป็นคนหูเบาเป็นคนอัตตันอยูนะอ่ส่วนคนมีอ่าคนมีโทสะก็เป็นคนที่เรียกว่าบางทีก็ มีการจี้ปล้นฆ่าชกต่อยตีดันปันแทงส่วนคนที่มีสัตธาจริตก็มักจะเป็นคนเชื่อง่ายเป็นเชื่อลมปากของบุคคลอื่นเชื่อง่ายขาดเหตุผลการสติปัญญาส่วนคนที่มีพุท ธ, ธิจริตมีปัญญาว่องไวเฉียบแหลมได้ยินได้ฟังสิ่งใดก็จําได้รวดเร็วส่วนนี้ประเพศหนึ่งคนที่มีวิตกจริตคือชอบตรึกชอบนึกไปต่าง เอาแน่นอนอะไรไม่ได้มีความวิตกมีควากั ง, งวลอยู่เรื่อยไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะทีนี้นี่เป็นลักษณะจริตของคนนิสัยของคนหรือเป็นที่อยู่ในสันดานทีนี้เราจะต้องแก้นะต้องแก้วิธีแก้ก็คือเอากรรมฐานแต่และอย่างอะอย่างมาให้เหมาะกับจริตของคนจะทําให้จิตใจนั้นสงบได้ยังประเภทที่หนึ่งคนที่มีราคะจริตต้องเจริญกรรมฐานาาออาสิทธิเอตการคืออสุภัสสิต กายยคตาสติหนึ่งนะประเภทที่สองอคนที่มีโทสัจจริตควรจเจริญกรรมฐานแปดประการคือวันนกศีลสี่ได้แก่นี้ละศีลปีตกศีลลอยกะศีลอทาตะศีลและโทมวิหารสนีะ่จะทําให้จิตใจสงบได้ข้อที่สามคนที่มีศรัทธาจริตควรจเจริญอนุสติหกคือพุทธานุาสติเรลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าธ ร, รรมานุสติเรลึกถึงธรรม สังขารนุสติแลลึกถึงคุณของพระสงฆ์สีลานุสติแล้ลึกถึงสีที่ตนได้รักษาจากานุสติระลึกถึงฐานที่ตนได้บริจาคไปแล้วเทวตานุสติระลึกถึงเทวดาหรือผู้มีพรุณส่วนคนที่มีพุทธทิจริตนะในข้อที่สี่ก็คือควรเจริญกรรมฐานสติคือมรณสติอมรณสติอุปสมานุสติอาเรปิภูสัญญาเจตุธาตุอวัฏฐานมรณะสติก็คือนึกถึงความตายอุป สมานุสติคือระลึกถึงคุณของพระนิพพานอารยปฏิกูลสัญญาก็คือทําความสําคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของอสขปรกฤฤฤฤจะตุธาตัววัฏฐานก็กําหนดพิจ า, ารณาธาตุสี่ประเภทที่ห้าคนที่มีวิตกจริญมีความวิตกกังวลก็ควรจเจริญอานาปานสติก็คือกําหนดลมหายใจเข้าออกอก็จะทําให้มีสติปัญญามีความเชื่อมั่นในตัวเอง นั้นกรรมฐานแปดอย่างคืออรูปฌานสี่และภูตรกระสินสี่คือดินน้ำไฟลมเป็นที่สบายแก่จริตเอเอาทางนั้นเอเป็นที่สบายแก่จริตทุกจริตเลยแต่อรูปกรรมฐานสี่อผู้ที่จะพึงปฏิบัติไม่ควรจเจริญก่อนควรจเจริญกรรมฐาน อ, าอื่นๆเป็นพื้นฐานก่อน เ, อเป็นพื้นฐานก่อนเพราะเห็นว่าอารูปกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ละเอียดสุขุมประนี ผู้ที่ยังไม่เคยเจริญกรรมฐานมาเลยย่อมยากที่จะเจริญอรูปกรรมฐานได้สําเร็จนี่เป็นเรื่องของของการเจริญกรรมฐานตามจริตทีนี้ให้ถามว่าในกรรมฐานสี่สิบนั้นมีนิมิตและภาวนาอย่างละสามอย่างละสามนิมิตสามนั่นคือหนึ่งปริกรรมมานิมิตสองอุขขานิมิตสามปฏิภาคานิมิต และภาวนาก็มีสามอีกเหมือนกันคือหนึ่งบริกรรมภาวน า, อาสองอุปยัปปจาระภาวนาสามอปนาภาวนาบริกรรมนิมิตก็หมายความว่าบริกรรมนิมิตและอุขัหาณิมิตได้ทั่วไปในกรรมฐานทั้งสิ้นคือหมายความว่าเราได้ปฏิบัติกรรมฐานทั้งสิ้นก็จะเกิดเอาบริกรรมนิมิตหรืออุขัหา น, นิมิตนี้จะปรากฏขึ้น นะในกรรมฐานทั่วไปส่วนปริพาคเนมิตรนี้ได้เฉพาะในกรรมฐานยี่สิบสองประการคือกสินสิบอสุภาษิสิบกายะตาสติหนึ่งอนนาปาติปานาสติหนึ่งบริกรรมภาวนาอันนี้ก็ได้ทั่วไปในกรรมฐานทั้งหมดนะอุปจาระภาวนาได้ในกรรมฐานสิบแปดระการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติ มรณาสติอาหาเรเปริกูลสัญญาจะตุธาตุอวัฏฐานส่วนอัปนาภาวนาได้ในกรรมฐานสามสิทคือกสินสิทอสุภสิทอาอนาปานสติหนึ่งกายะตาส 1, ติหนึ่งโทมิหารสี่อรูปสี่กรรมฐานสามสิทแม้จะให้สําเร็จอัปนาภาวนาเหมือนกันก็จริงแต่จะมีอนุภาพเหมือนกันก็หาไม่นะย่อมมีอนุภาพแตกต่างกันไป อสุภาษิปกายคตาสติหนึ่งได้เฉพาะรูปราวจรปฐมฌานอย่างเดียวเมตตากรุณ า, ามุติตาได้เฉพาะรูปราวจรฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุฌานอุเบขาได้ในรูปราวจรปัญจมฌานอารูปสีได้ในอรูปฌานทั้งสี่ได้ในรูปฌานทั้งสี่ส่วนวิธีการเาจเริญในในกรรมฐาน โดยทั่วๆไปนั้นก็ให้นักเรียนนักศึกษาได้ค้นคว้าเพิ่มเติมนะได้ค้นคว้าเพิ่มเติมฉะนั้นที่พูดนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะเป็นเพียงแนวทางอย่างหนึ่งซึ่งก็เห็นว่าอะไรมันเหมาะสมสมควรหรือไม่สมควรอย่างไรก็เอามาแจกแจงให้บรรดานักเรียนนักศึกษาได้รู้ได้ทราบพอเป็นแนวทางกัน ก่อจะจบเอาตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างไม่งก็ ว, ว่าให้รายละเอียดละออนักเพราะถ้าจะให้รละเอียดละอ่อแล้วก็จะต้องเสียเวลากันมากทีนี้วิธีการเจริญ อ, อนุสติจะพูดถึงวิธีการเจริญอนุสติวิธีการเจริญอนุสตินั้นผู้ที่จะเจริญอนุสติจะต้องจำหลักนี้ก็คือว่าหนึ่งต้องทำสิ่งของตนให้บริสุทธิ์ก่อนสองตัดเครื่องกังวลให้หมดไปสาม อาศัยสถานที่อันสงัดสี่นั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงห้าพึงระลึกตรึกไปในคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอันนี้ก็จะทำให้จิตใจสงบได้นะจิตใจสงบได้นี่พูดถึงเรื่องวิธีเจริญอนุสติทีนี้ก็จะมาพูดถึงในข้อต่อไป นะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการเจริญมรณาสติก็คือพึงไปสู่ที่อัศนัดแล้วนึกถึงความตายว่าจะมีแก่เราว่าเราจะต้องตายดังนี้ก็ได้หรือนึกถึงว่าชีวิตของเรานี้จขะขาดดังนี้ก็ได้แต่ในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการคือทำใจด้วยอุบายอันแยบคายจึงจะได้รับผลแห่งการเจริญมรณสติ ถ้านึกถึงความตายโดยอุบายามิได้เช่นนึกถึงความตายของคนรักใกล้ก็จะเสียใจนึกถึงความตายของคนที่ไม่รักอไม่ชังก็จะเพิกเฉยหาความสุดสังเวชมิได้ต้องนึกถึงความตายของคนที่เป็นศัตรูกันก็จะสมานัดดีใจนึกถึงความตายของตนเองก็จะมักจะหวาดผวาสะดุ้งกลัวเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องกําหนดองคศาไว้ยอย่างคือ ในขณะที่จเจริญ น, นั้นจะต้องมีสติรนะละลึกถึงความตายสองยานรู้ว่าความตายจากมีแน่สามเกิดความสังเวชสลบใจสลดใจนะสังเวชสลดใจนี่เป็นเรื่องของการจเจริญมรณนนาสติทีนี้วิธีจเจริญกายยักษตาสติก็ให้ตั้งสติกำหนดปีนากายอันเป็นที่ประชุมแห่งอสังขารเป็นของนาเกลียดต่งตางๆ ซึ่งในตำรานั้นก็ได้มีไว้สามสิบเอ็ดส่วนมีตั้งแต่เกษ า, าผมโลมาขนนะคะัคขาเล็บทันตาฟันตัดโจนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัติกระดูกอะไรนี้เป็นต้นอันนี้ก็นับได้สามสิบเอ็ดส่วนแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วทั้งหมดนะั้มันมีสามสิบสองส่วนนะสามสิบสองส่วนไอ้ที่กล่าวนั้นที่พูดมันสามสิบเอ็ด ในตำร า, านั้นเป็นส่วนทาบาลีแต่ในอัตกราว่ามีสาสองส่วนคือเยื่อในสมองศีษะแบ่งออกเป็นอีกส่วนหนึ่งเรียกว่ามัทเเกมัทหลงคังมัทเเกมัทลงคังซึงเป็นอาการสามสิบสองครบอาการสามสิบสองนี่ก็เป็นเรื่องการเจริญพิจารณากายคตาสติที่ได้เอามาบอกให้นักเรียนนักศึกษาได้ทราบ จกๆเอาเป็นบางข้อหรือวิธีการเจริญอาหารเรเบติกูลลสัญญาคือความสําคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารมีหลักพึงกําหนดดังนี้คือเบื้องต้นให้พึงเข้าใจก่อนว่าในการพิจารณาให้เห็นอาหารเป็นของปฏิกูลจะต้องเข้าไปสู่ที่สังกัดแล้วพิจารณาอาการอาหารด้วย ปฏิกูลแปดอย่างคือหนึ่งปฏิกูล้ดยการบริโภคปฏิกูลโดยการบริโภคปฏิกูลโดยที่อยู่ของอาหารปฏิกูลโดยสะสมอยู่นานปฏิกูลในเมื่อยังไม่ได้ย่อยปฏิกูลในเมื่อย่อยไปแล้วปฏิกูลโดยผลปฏิกูลโดยอันไหลออกปฏิกูลด้วยการทำให้แปดเปื้อนนี่พิจารณาอย่างนี้รู้ว่าอาหารเป็นอย่างนี้ เมื่อล่วงทวารปากเข้าไปแล้วถึงปลายเลนก็ชุ่มด้วยน้ำลายเหลวกลิ้งชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายค้นปฏิกูลยิ่งนักนเหมือนกับเหมือนกับรากของสุนัขขอพระทานโทษนะเหมือนกับรากของสุนัขเห็นแล้วก็หน้าเบื่อหน่ายนี่เป็นเรื่องของกรรมฐานเพียงยอดๆนะเพียงยอๆเป็นบางบทเท่านั้นทีนี้ก็จะพูดตอบอีกกว่า วิธีการเจริญจิตวิญญาทาตุววัดฐานเคอกําหนดยังไงเพราะว่ากรรมฐานนี้บางท่านเรียกว่ า, าธาตุกรรมฐานผู้ที่จะเจริญพึงตั้งสติกําหนดพิจารณาร่างกายแยกออกให้เห็นเป็นธาตุสี่คือดินน้ําไฟลมธาตุดินได้แก่สิ่งที่แข็งกระด้างมีอยู่ในกายตั้งแต่ผมเป็นต้นไปลายจนถึงเปลือเป็นที่สุดธาตุน้ําได้แก่สิ่งที่เหลวเอิบอาบซึมซาบทั่วไปมีอยู่ในกาย เป็นต้นมีจนมีตั้งแต่ดีเสลเลตหนองเลือดจนถึงมูดเป็นต้นในที่สุดธาตุไฟได้แก่ไฟทั้งสี่ไฟที่ทํากายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดต้มเหี่ยวแห้งคำข่าววิกลวิการไฟไฟที่ยังกายให้เร่าร้อนกระวนกระวายต้องอประพรมฉลมทาไฟที่ยังกายให้แปรปวนย่อยไปเป็นอันดีนี่เป็นเรื่องของ ธาตุไฟธาตุลมก็ได้แก่สิ่งที่เป็นอุปถรัรมภ์ขำชูกายให้สําเร็จคือสั่นไหวลุกนั่งยืนเดินได้เป็นต้น น, นี้เรียกว่าธาตุลมเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้อแน่นอนที่สุดอสิ่งที่แข็งกระด้างก็เป็นธาตุเด่นสิ่งที่เหลวเป็นธาตุน้ําสิ่งที่อบอุ่นเป็นธาตุไฟสิ่งที่ไหวกายไวหววาจาก็เป็นธาตุลมหรือพิาจพารณาเฉพาะธาตุที่ปรากฏอก็จะทําให้จิตใจของเราสงบได้ อันดับต่อไปก็จะเสนอวิธีเจริญอารมณกรรมฐานเอาผู้ที่จะเจริญอารมณกรรมฐานอาพึงเพ่งกสินนิมิตทั้งเก้าคือมีปัทวีกสินเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์จนได้รูปาวจรชานหรือว่ารูปาวจรฉชานอันเป็นที่สุดแล้วพึงดะาะอกเพิ่มกสินนั้น คืออย่ากําหนดนึกหมายเอากสินนิมิตนั้นเป็นอารมณ์ให้ตั้งจิตพึงนึกนะให้ตั้งจิตนึกพิจารณาอาการที่มีดวงกสินเดาะเพิ่มขึ้นแล้วเหลืออยู่แต่อากาศเปล่าเป็นอารมณ์เมื่อพิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์พิจารณาไปจนอากาศา ว, ว่างเปล่าเท่าดวงกสินปรากฏในมโนทวารในการใดในการนั้นผู้เจริญ พิจนากาศนั้นเป็นอารมณ์บริกรรมว่าอนันโตอากาโสอากาศไม่มีที่ที่สุดเมื่อบริกรรมนึกอยู่เนืองๆจิตก็จะสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธินะจนถึงอปปนาสมาธิโดยลําดับสำเร็จเป็นฌานที่แรกทีนี้เรียกว่าอากาสาณจายตนะฌานถ้าจเจริญอรูปก ร, รมฐานต่อไปอีกก็พึงละ อากาศานิมิต ท, ที่เป็นอารมณ์ของอารมูปฌานทีแรกนั้นเสียกำหนดจิตที่ยึดน่วงรปูปฌานทีแรกคือจิตที่นึกเอาอากาศเป็นอารมณ์อาศัยตั้งอยู่ในอากาศนิมิตนั้นเป็นอารมณ์ทำบริกรรมว่าอนันตังวิญญาณังอนันตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเนืองๆก็จักสำเร็จชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะฌาน แล้วก็เจริญอารูปกรรมฐานที่สามต่อไปอีกเราก็พึงละอารูปวิญญาณในอันในแรกเสียนะในแรกวิญญาณทีแรกที่เป็นอารมณ์ของอารมูปฌานที่สองนั้นเสียมาหน่วงเอาความไม่มีของอารูปฌานทีแรกคือกำหนดว่าอารูปฌปานนี้ไม่มีในที่นี้เป็นอารมณ์และบริกรรมว่านัตถิกินจิ อรูปฌานทีแรกนะอรูปวิญญาณทีแรกนั้นนิดหนึ่งก็ไม่มีมิได้เหลือติดอยู่ในอากาศเนืองๆก็จะสำเร็จเป็นอรูปฌานที่สามชื่อว่าอากินจัญญายตนะฌานแล้วเราก็มาเจริญอรูปกรรมฐานที่สี่ต่อไปอีกปล่อยวางอารมณ์ของอรูปฌานที่สี่คืออารมณ์ที่สำคัญว่าอารูปฌานทีแรกนั้นไม่มีนั้นเสีย พึงกําหนดเอาแต่ความที่ละเอียดประณีตของอรูปฌานที่สามเป็นอารมณ์ทําบริกรรมว่าสันตเมตังปะนีตเมตังอรูปฌานที่สามนี้ละเอียดนักประนีดนักจะว่าสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็จะสําเร็จเป็นอรูปฌานที่สี่ชื่อว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานฉะนั้นอรูปฌานที่หนึ่งนั้นยึดหน่วงเอาอากาศ นิมิตอันหาที่สุดฝ่ายข้างเกิดและข้างดับมิได้เป็นอารมณ์เป็นบ่อเกิดจึงชื่อว่าอากาสานัญญายาตนะอรูปฌานที่สองยึดหน่วงเหนียวเอาจิตที่นึกเอาอากาศตั้งอยู่ในอากาศอันหาที่สุดข้างฝ่ายเกิดและข้างดับมิได้เป็นอารมณ์เป็นบ่อเกิดจึงชื่อว่าวิญญาณัญญายาตนะอรูปฌานที่สามนั้นยึดน่วงเหนียวเอาความไม่มีของจิตที่ตั้งในอารมณ์เป็นบ่อเกิดจึงชื่อว่าอากิจัญญาญตนะ อรูปชาที่สี่นั้นยึดหน่วงเหนียวเอาอารูปชาตที่สามมีสัญญาเวทนาและสัมพยุด้วยธรรมทั้งสิ้นละเอียดนักประนีตนักมีอยู่เหมือนอย่างไม่มีเป็นอารมณ์เป็นบ่อกเกิดจึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญพูดถึงเรื่องอสมกถกรรมฐานมาแล้วก็วิธีการเจริญในรูปต่างๆเพียงย่อๆก็ยังไม่จบบริบูรณ์ก็